วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25เสียงหาคมพุทธศักราช2567เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาพบกันเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ว่าเรานี้เป็นไข่กันแน่ถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะคิดว่าเราเป็นร่างกายเป็นหญิงเป็นชาย<ม>เป็นมอมีอาชีพอะไรแต่ความเป็นจริงนี้ไม่ใช่ตัวเรา<ม>ตัวเรานี้ไม่ใช่เป็นร่างกายตัวเราคือใจ ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการที่เราจะทำอะไรต่างๆเราต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ ถ้าเราไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่คือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆได้เราจึงต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆแต่การมาเกิดของเรานี่มันก็จะทำให้เรา ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันดังนั้นความเป็นจริงก็คือเราคือใจผู้รู้ผู้คิดผู้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความสุขต่างๆจากโลกนี้ด้วยการมาเกิดแล้วเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว เราก็จะอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณซึ่งก็จะมีหลายสถานภาพด้วยกันเวลาที่ร่างกายตายไปใจเราจะเป็นดวงวิญญาณถ้าเราได้ทำบุญมากกว่าทำบาปดวงวิญญาณของเราก็จะอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญ ดวงวิญญาณของเราก็จะอยู่ในอบายชั้นต่างๆเช่นเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างตกนรกบ้างหรือถ้ามาเกิดก็จะมาเกิดได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานเป็นสุนัขเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่างๆหลังจากที่เราพ้นจากอํานาจของบุญและของบาป ท, ที่เราได้ทําไว้แล้ว เราก็จะกลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แล้วเราก็จะมาหาความสุขจากสิ่งตา่ตางๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็จะมีการกระทำบุญกระทำบาปไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราแล้วพอร่างกายนี้ตายไปเราก็จะไปรับผลบุญผลบาปต่อ นี่คือสถานภาพของตัวพวกเราทุกคนพวกเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่จะกลายเป็นดวงวิญญาณเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสภาพนี้ไปเรื่อยๆการเวียนว่ายตายเกิดนี้เราเรียกว่าสังสารวัติคือการเวียนว่ายตายเกิดใน ในใายภพภพที่พวกเรามาติดคุกติดตารางอยู่นี้เรียกว่าสังสารวัฏแล้วก็มีแบ่งเป็นสามสามเขตสามแดนด้วยกันถ้าเราเสพกามเราก็จะมาเกิดในกามมาพบถ้าเราเสพรูปประชานเราก็จะมาเกิดในรูปภพ ถ้าเราเสพอารูปฌานเราก็จะไปเกิดอารูปภพนี่คือภพสามภพด้วยกันที่ประกอบเป็นสังสารวัตเป็นที่เวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณชนิดต่างๆกันขึ้นอยู่กับการกระทำของดวงวิญญาณแต่ละชนิดว่าจะทำอะไรกันจะเสพอะไรกัน ถ้าดวงวิญญาณชอบเศษกลามชอบเศษรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเพราจะจำเป็นที่จะต้องมีร่างกายของมนุษย์ของสัตว์เดรัจฉาน <c oughs> เป็นเครื่องมือในการเศษรูปเสียงกลิ่นรสผทพะจะดูรูปจะดูรูปได้เห็นรูปได้ก็ต้องมีตาจะ ฟังเสียงได้ก็ต้องมีหูจะดมกลิ่นได้ก็ต้องมีจมูกมจะลิ้มรสได้ก็ต้องมีลิ้นและจะสัมผัสสิ่งต่างๆเช่นความร้อนความเย็นความแข็งความนุม่มก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือไว้เสพไว้สัมผัสนี่คือการเสพกามกามก็คือกามคุณห้า ได้แก่รูปเสียงกดลิ่นรสผดพทพะะชนิดต่างๆการจะเสบรูปเสียงกดลิ่นรสผดพทพะทะได้ก็ต้องมีตาหูจมูกร่้นกายเป็นเครื่องมือร่างกายนี้จึงเป็นเครื่องมือของของใจที่ต้องการจะเสบการมคุณห้าเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสผดทพะะในโลกของกามนี้ก็มีมีแบ่งเป็น สองส่วนส่วนที่เป็นสุขคติกับส่วนที่เป็นทุกขคติ<ม>สุขคติก็คือส่วนที่มีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์<ม>เช่นภพของมนุษย์ภพของเทวดา<ม>เรียกว่าสุขคติส่วนที่มีความทุกข์มากกว่าความสุขเราเรียกว่าทุกขคติประกอบด้วยอบายสี่คือภพของสัตว์เดี้ยลฉาน พบของเปรตพบของสุรกายและพบของสัตว์นรกการที่มีการแบ่งเป็นสองเขตใหญ่ๆนี้ก็เพราะเกิดจากการกระทาของ mm hmm. ของดวงวิญญาณหรือของใจ mm hmm. ในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่มาเกิดเป็นมนุษย์ mm hmm. มนุษย์บางคนก็ชอบทำบาป บางคนก็ชอบทาบุญนอกจากชอบเสษกรรมเสรูกเสกี่ยงกับลดผพทพะแล้วก็จะใช้วิธีการกระทำบาป<ม>เพื่อที่จะทำให้ได้สิ่งที่ตนเองอยากได้<ม>ก็จะ<ม>เช่นอยากจะได้เงินได้ทองแทนที่จะไปทำมาหากินก็หากินโดยทางลัด<ม>ทำบาป<ม>ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะได้เงินทองมาใช้มาซื้อมาเสพการมาคุณทั้งห้า mm hmm. พวกที่ชอบทำบุญนี้เป็นพวกที่จะทำมาหากินหาไรายได้ด้วยวิธีสุดจริตคือจะไม่ทำบาปเป็น mm hmm. ตั้งใจทำมาหากินเร่งชีพทำอาชีพที่สุดจริตอาชีพที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อน อาชีพที่ไม่ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาชีพที่ไม่ต้องลักทรัพย์อาชีพที่ไม่ต้องโกหกหลอกลวงก็จะไม่ได้ทำบาปและเวลาที่ได้ทรัพย์มาถ้ามีเหลือก็มักจะชอบเอาไปแบ่งให้กับคนอื่นไปทำบุญทำทานพวกนี้เวลาตายไปพวกที่ทำบุญทำทานไม่ทำบาปก็จะได้ไปเกิดเป็นเทวดา ชั้นต่างๆส่วนพวกที่ทําบาปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนศรลกายบ้างไปตกนรกบ้าง mm hmm. เหตุที่พาให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็คือการทําบาลด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาปเ mm hmm. ช่นพวกที่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิต mm hmm. เพื่อเลี้ยงชีพของตนเอง หรือทำทาบาปเพื่อป้องกันตัวเองเพื่อรักษาชีวิตของตนเองพวกนี้เขาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติที่เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องเลี้ยงดูตัวเราเองต้องป้องกันตัวเราเองถ้าเราต้องเลือกระหว่างการทำบาปกับความตายเราก็จะต้องเลือกการทำบาปเพื่อให้ชีวิตเราอยู่รอดถ้าเป็นการ ถ้ า, ถ า, ถามีการกระทำบาปแบบนี้เราเรียกว่าทำบาปด้วยความหลงหรือทำบาปด้วยความไม่รู้กฎแห่งกรรมว่าทำบาปแล้วจะต้องมีวิบากกรรมตามมาผู้ที่ทำบาปด้วยความหลงนี้ก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะพวกสัตว์เดรัจฉานนี้เขาไม่รู้ว่าเขาทำบาปเขาต้องเลี้ยงชีพของเขาด้วยการ ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าสัตว์ที่เล็กกว่าเขาเพื่อตัวเขาจะได้อยู่รอดเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาในเรื่องของธรรมชาติถ้าอยากจะอยู่ถ้าอยากไม่ถ้าไม่อยากจะอดตายหรือถ้าไม่อยากจะให้สัตว์อื่นมากัดกินมาทำร้ายเราเราก็ต้องทำร้ายขเขาอันนี้เป็นเป็นสามัญสํานึกของสัตว์เบราชา้า ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมีสามัญสานึกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานถึงแม้ว่าร่างกายจะเป็นมนุษย์แต่ใจนี้ไม่ได้เป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จะทํามาหากินเลี้ยงชีพทำอะไรต่างๆด้วยการกระทําบาปเพื่อให้ตนเองอยู่รอดเมื mm ่อจิตมีมีสามัญสานึกเป็นสัตว์เดรัจฉาน เวลาที่ตายจากมนุษย์ไปก็จะไปเกิดเป็นสัตว์เวลาชานต่อไปส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความโลภตัวอยากได้มากๆอยากมีมากๆถ้าทำอาชีพที่สุดจรลิดจะรวยช้าหรืจะไม่รวยรไม่รวยมากถ้าอยากจะรวยเร็วรวยมากก็จะใช้วิธีทาบาบเพื่อเป็นการ ทำเพื่อจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้มาเร็วๆมาได้มากๆ <S <S ถ้าทำบาปด้วยความโลภเวลาร่างกายตายไปดวงวิญ ญ, ญาณก็จะเป็นเปรตเปรก็คือดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหิวโหยเพราะว่าไม่มีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจก็คือบุญ พรคเปรตนี้จะไม่ชอบทำบุญเพราะจะเสียดายเงินเสียดายทองตอนเป็นมนุษย์หาเงินหาทองมาได้มากน้อยเพื่อไะร่ก็คิดว่าเอามาเพื่อที่จะมาเลี้ยงตนเองมาซื้อความสุขต่างๆให้กับตนเองแต่ความสุขที่ใช้เงินทองซื้อมานี่มันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเสพรูปเสียงกลิ่นรสผธพปะชนิดต่างๆ เป็นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆหรือซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆของโมนี้เวลาได้เสรมันก็ให้ความสุขแต่มันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอเสร็เสร็จแล้วมันก็จะรู้สึกผิวรู้สึกอยากที่จะเสรอยู่เรื่อยๆความหิวความอยากนี่มัน จะพยายามมันก็นจะมีอยู่ไปเรื่อยๆถ้าตราบใดไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัะชนิดต่างๆถ้าไม่ได้ทำบุญนี่ใจจะหิวอยู่เรื่อยแต่ธรรมชาติของเปรตเขาก็จะเสียดายเงินเสียดายทองเขาคิดว่าการทำบุญนี่เป็นการสูญเปล่าเอาเงินทองให้คนอื่นไป แทนที่จะเอาเงินทองเก็บไว้ใช้ให้กับตนเอง<ฮ>ให้ตนเองมีความสุขก็เ<ฮ>ลยไม่ยอมทําบุญไม่อยากทําบุญทาทานอยากจะเอาเงินทองที่หามาได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่ม<ฮ>ไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราต่างๆเพราะว่าเวลาได้เสพสิ่งเหล่านี้มันก็เกิดความสุข<ฮ>แต่เป็นความสุขชั่วคราวแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอ เราความสุขที่ได้เสกสิ่งอันนี้จางหายไปความหิวความอยากที่จะเสกมันก็กลับมาอีกก็ต้องพยายามดิ้นหาสิ่งต่างๆมาเสกอยู่เรื่อยๆพอเวลาตายไปดวงวิญญาณก็ไม่มีบุญติดไปไม่มีอาหารไม่มีเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจติดไปดวงวิญญาณก็เลยเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวย ดวงวิญญาณชนิดนี้แหละที่จะมาเข้าฝันญาติพี่น้องที่มีชีวิตอยู่เพื่อที่จะมาขอแบ่งส่วนบุญให้ช่วยส่งบุญไปให้เขาเพราะในขณะที่อยู่ในโลกทิพย์ในขณะที่เป็นดวงวิญญาณนี้ใช้เงินทองไม่ได้โลกทิพย์นี้ไม่มีเงินทองที่เรามีกันอยู่นี้เราใช้ได้แต่ขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เท่านั้น พอตายไปทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมีมากมีน้อยก็ไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยแม้แต่บาทเดียวเงินทองที่เราหามามากมายก่ายกองก็จะกลายเป็นเงินทองของคนอื่นไปของลูกของหลานหรือของใครกต็ตามที่เขาสามารถที่จะเอามามาครอบของได้เขาก็จะเอาไปแต่เจ้าของเงินทองผู้ที่หาเงินหาทองมานี้ พอตายไปแล้วร่างกายนี้ตายไปแล้วดวงวิญญาณก็จะไม่สามารถเอาเงินทองต่างๆติดตัวไปได้ก็จะอยู่ในสภาพของเขาทานทางจิตวิญญาณก็ต้องอาศัยบุญกุศลของญาติพี่น้องที่มีชีวิตยอยู่อุทิศส่งไปให้เพื่อจะพอที่จะทําให้พออยู่พออยู่ได้แต่ก็อยู่แบบยากจนอยู่แบบขัดสน ไม่ได้อยู่แบบเศรษฐีบุญ mm hmm. พวกเศรษฐีบุญก็คือพวกที่ขณะที่มีชีวิตอยู่ mm hmm. ชอบทําบุญเพราะเวลาทําบุญแล้วเกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจ mm hmm. ยิ่งทำมากก็ยิ่งมีความสุขใจมากอิ่มมาก mm hmm. ความสุขใจอิ่มใจนี่เป็นบุญที่จะหล่อเลี้ยงดวงวิญญาณ mm hmm. หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทำให้ดวงวิญญาณนี้อยู่อย่างมีความสุข ดวงวิญญาณที่อยู่อย่างมีความสุขนี้เราเรียกว่าสวรรค์เรียกว่าเทวดานี่เองอ น, นี่ก็คือพวกที่พวกที่ทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ด้วยความหิวโหยส่วนพวกที่ทําบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทำร้ายเรา บ, นนบุคคลนั้นบุคคลนี้มาทำร้ายเราเราก็ป้องกันตัวด้วยการไปทำร้ายเขาก่อน เช่นเวลาเห็นสัตว์ด้วยคารเข้ามาในบ้านเราก็ฆ่าเขาทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้เขามาฆ่าเรา<ม>อันนี้ก็จะทำให้เราเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว ม, มีแต่เรื่องหวาดกลัวหวาดเสียวมาคอยหลอกล้อนจิตใจอยู่เรื่อยเวลาตายไปก็ต้องทนทุกข์ทรมาน ก, กับความความกลัวต่างๆไป จนกว่าบาป ท, ที่ได้ทําไว้หมดกําลังถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหมส่วนนุงส่งพวกที่ชอบทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทตาต่อตาฟันต่อฟันน้างแค้นกันย่องเวรจอมกรรมกันใครทําร้ายเราเราก็ต้องแก้แค้นล้างแค้นกันทําบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทใจก็จะเป็นไฟนรกขึ้นมา ความอาฆาตพยาบาทนี่จะทําให้ใจเราร้อ น, นเวลาเราอาฆาตพยาบาทใครโกรธใครเกลียดใครนี้ใจเรานี้จะร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ไม่สุขไม่สบายแล้วถ้าเราไปทําบาปมันก็ยิ่งจะทําให้ใจร้อนขึ้นมาอีกหลายเท่าด้วยกันแล้วความร้อนนี่มันจะสะสมไปในใจพอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปความร้อนนี้ก็จะ ลุกขึ้นมาเผาจิตใจของเราเผาไปจนกว่ากําลังของบาปที่เราทำมันหมดลงเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมามาทำมาทำบาปใหม่ถ้าเรามีนิสัยชอบทำบาปมันก็จะติดเป็นนิสัยกลับมาถ้าชอบทำบาปเพื่อเลี้ยงตัวเองเราก็จะมาทำบาปเพื่อเลี้ยงตัวเอง ถ้าชอบทําบาปเพื่อให้เราได้ของมากๆมีของมากๆ <t ari> ก็จะมาทําบาป ด, ด้วยความโลภ <t ari> ถ้าเราทําบาป ด, ด้วยความกลัวกลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้จะมาทําร้ายเราเราก็ไปทําร้ายของก่อน <t ari> เราก็จะกลับมาทําอย่างนี้เหมือนเดิม <t ari> <t ari> ถ้าเราทําบาปด้วยการเราเคยทําบาปด้วยความมาคาดพยาบาทจองเวรจองกรรมเวลาเรามา เกิดเป็นมนุษย์เวลาเรามีปัญหากับใครใครมาทำให้เราโกรธทำให้เราเสียใจเดือดร้อนเราก็จะจองเวรจองกรรมกัน น, นี่ก็คือดวงวิญญาณที่จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติถึงแม้จะพ้นจากบาปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ก็จะกลับมาทำบาปใหม่เพราะมันติดเป็นนิสัยมาทำบาปแล้วก็กลับไปเกิดเป็น ไปเกิดในอบายใหม่เวียนว่ายตายเกิดในอบายสำหรับผู้ที่ชอบทำบาปจนติดเป็นนิ ส, สัยส่วนพวกที่ชอบทำบุญไม่ชอบทำบาป<ม>ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีความสุขก็คือเป็นเทวดาไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆมีสวรรค์ถึงหกชั้นคือความสุขของแต่ละชั้นก็จะมีมากน้อยต่างกันไป ทำบุญน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำได้ความสุขน้อยทำบุญมากก็จะได้สวรรค์ชั้นสูงได้ความสุขมากนี่คือสถานภาพของพวกที่เสพกรมจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกรรมมาพบส่วนพวกที่ชอบเสพรูปประชานหรือรูปประชานพวกนี้ก็เป็นพวกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่เป็นนักบวชเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ก็มักจะไปบวชกัน เพาะไม่ชอบการเสกกลามเพราะเห็นว่าการเสกกลางนี่มันเป็นทุกข์เพราะความเสกกลางนี้มันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอมันเป็นเหมือนยาเสพติด mm hmm. เสพเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอเวลาไม่ได้เสกก็จะทกทรมานใจ mm hmm. จึงไม่สนใจกับการที่จะเสกกางแต่ไปสนใจกับการที่จะไปเสกรูก ป, ประชานหรือรูก ป, ประชานก็คือการฝุดเข้าสมาธิ พวกที่จะฝึกเข้าสมาธิได้ง่ายได้มากก็คือต้องไปเป็นนักบวชกันเพราะเมื่อไปเป็นนักบวชก็จะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการทำมาหากินเลี้ยงชีพเพื่อหาเงินหาทองมาเพื่อมาใช้ในการเสพกางไม่ต้องมีครอบครัวไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมาทุกขกับสามีไม่ต้องมาทุกกับภรรยา ไม่ต้องมาทุกข์กับบุตรธีดามไม่ต้องมาทุกข์กับเรื่องเงินทองรายได้ไม่พอใช้เป็นต้นองคนักบวชเขาจะอยู่แบบมากน้อยสันโดษในเรื่องปัจจัยสี่อพออยู่พอกินไปวันวันหนึ่งเขาไม่ค่อยกังวลกับเรื่องเรื่องของร่างกายเท่าไหร่ร่างกายนี้เขาจะเลี้ยงแบบธรมธรมดาธรรมดาพอให้อยู่ได้ก็พอมีปัจจัยสี่ที่พอเพียงมไม่จําเป็นที่ต้องเป็น ของที่มีราคาเป็นของทีเ่เป็นของฟุ้งเฟอเอง้อต่างๆฟุ้งเฟ้อต่างๆพออยู่พอกินไปเราต้องการเอาเวลานี้มาให้กับการเสพรูปประชานารูปปัจจานคือ hmm. การเสพสมาธินั่งสมาธินี้จิตจะมีความสงบสองระดับความสงบระดับแรกเราเรียกระดับระดับของรูปประชานส่วนความสงบของ ระดับที่สองเรียกว่าอารูปฌปานมีความต่างกันตรงที่มีความสุขมากน้อยต่างกันความสุขของรูปฌปานนี้จะน้อยกว่าความสุขของอารูปฌปานอันนี้จะอยู่ที่ความสามารถของการเจริญสติถ้ามีสติมีกำลังมากก็จะสามารถทำให้จิตเข้าสู่ความสงบได้มากขึ้นไป มีความสงบมีสติน้อยก็จะเข้าสู่ความสงบที่ได้ที่น้อยกว่าถ้ามีสติมากก็จะได้ความสงบที่มากกว่าที่ลึกกว่าที่นานกว่านี่ก็คือความสุขที่มีอยู่ในไตรภพนี้อยู่ในรูปภพกับอรูปภพตรงนี้กอเป็นที่ที่ไปของพวกที่เสพเสพรูปชานอรูปประชาน เวลาที่ร่างกายตายไปพวกที่เสบรูปฌานก็จะไปอยู่ในรูปประพบรูปประพบนี่ก็คือสวรรค์ชั้นพรมพรมที่มีรูปเรียกว่ารูปประพบส่วนพวกที่เสบพวกที่เข้าว่ารูปฌานได้เวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่อารูปประพบคือเป็นพบของพรมที่ไม่มีรูปเป็นพบที่ละเอียดที่สุดเป็นพบที่มีความสุขสูงที่สุด แต่ทั้งสามภพนี้ก็ยังมีภพที่ภพที่ชั่วก่าวภพที่ไม่จีรังถาวรไม่ใช่ว่าไปอยู่ที่ภพเหล่านี้แล้วจะไม่จะไม่เสื่อมจะไม่หมดไปอยู่ในอรูปภพหลังจากที่กำลังของชาญหมดลงก็จะเสื่อมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าอยู่ในอ ร, รูปภพกำลังของชาญ ของรูปฌปานเมื่อเสื่อมลงก็จะทับดึงให้ใจกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็กลับมาเป็นนักบวชใหม่กลับมาเป็นนักบวชเพราะติดมีเป็นนิสัยชอบหาความสุขจากรูปฌานและรูปฌานนี้ทั้งสามภพนี้ยังถือว่าเป็นภพที่ไม่จีรังถาวรเป็นภพที่ไปแล้วจะต้องเสื่อมลงมาจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จะต้องกลับมาเจอกับความเกิดแก่เจ็บตายอีกรอบห น, นึ่งนี่แหละคือคุกตารางของจิตใจของดวงวิญญาณจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราทุกคนพวกเราสถานภาพที่แท้จริงของพวกเราก็คือการเป็นนักโทษนีเ่เราเป็นนักโทษที่ติดอยู่ในคุกตารางของสังสารวัต ส, สังสารวัตรก็คือที่เวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณ ของสัตว์โลกทั้งหมดอะ่าเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราชอบเสพอะไรถ้าเสพชอบเสพการเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบถ้าเราชอบเสพรูปประชานเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในรูปประพบถ้าเราชอบเสพอรูปประชานเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดในอรูปประพบแต่เราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เวลาที่ บุญที่เราทำไว้หมดลงหรือบาปที่เราทำไว้หมดลงหรือสมาธิที่เราทำไว้มันหมดกําลังลงเราก็ต้องกลับมาเติมใหม่การกลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ก็เพื่อมาเติมบุญหรือเติมบาปหรือเติมสมาธิหรือเติมรูปประชานหรืออารู ป, ประชานนี่ภพของมนุษย์นี้เป็นที่สร้างภพต่างๆสร้างแล้วเวลาร่างกายนี้ตายไปก็จะไปอยู่ในภพ ภูมิเหล่านั้นไปอยู่ในอบายบ้างถ้าทำบาปไปอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าทาบุญไปอยู่รูปประพบถ้าถ้าเข้าสมาธิในระดับรูปประชานได้ไปไปอยู่อรูปประพบถ้าเข้าสมาธิในระดับอรูปประชานได้แต่ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มาเกิดก็จะต้องมาเจอกับความทุกข์ของความแก่ ของความเจ็บค่ายได้ป่วยและของความตายและของการที่เราจะต้องพัดพาดจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่เรารักเราชอบไปเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะติดอยู่ในคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดคุกตารางนี้จึงเรียกว่าสังสารวัฏเวียนการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายตายไปแล้วก็ไปไปรับผลบุญผลบาป หลังจากนั้นก็กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกรอบหนึ่งจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเป็นนักโทษก็เหมือนนักโทษที่ถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตของใจก็คือไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจไม่มีวันตายใจจะต้องติดคุกอยู่ในติดคุกของสังสารวัฏจะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องมาทุกมาเจอกับความเศร้าโศกเสียใจ ทุกครั้งที่เวลาได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ยังต้อกับความทุกข์ต่างๆท่านบอกว่าจํานวนของพวกชาติที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมีมากมายความทุกข์ที่ได้จากการมาเวียนว่ายตายเกิดนี่มันก็มีมากมายถ้าอยากจะรู้ว่าเราเคยเวียนว่ายตายเกิดมามากน้อยเพียงไรท่านก็บอกว่าให้เอาน้ําตาที่เราต้องมาหลังในแต่ละ ทั้งที่เรามาเกิดเฮลลารามาเกิดนี้เรามักจะต้องเจอกับเรื่องราวที่ทําให้เราเสีย อ, อกเสียใจทําให้เราเศร้าโศกเสียใจและเราก็จะต้องร้องหง่มร้องไห้กันท่านบอกว่าจํานวนของน้ําตาที่เราหลั่งมานี้ในแต่ละภพแต่ละชาติถ้าเอามารวมกันแล้วนี้มันจะมีมากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนี่แหละคือระยะเวลาของการที่เรามาติดคุกของการ เกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วก็จะติดคุกอยู่ในแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือพระสงฆ์<ม>ผู้ที่รู้จากวิธีที่จะพาให้เราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้<ม>ถ้าไม่มีถ้าไม่ได้เจอพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี้เราจะไม่รู้วิธีของการที่เราจะหลุดออกจาก ควาทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างไรหรืออาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้ําไปว่าเรากําลังเป็นใครอยู่เราอาจจะคิดว่าเราเป็นร่างกายเราอาจจะคิดว่าเรามากับร่างกายพอร่างกายตายไปเราก็ตายไปกับร่างกายแล้วก็จบแต่ความจริงเราไม่จบเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ชั่วคราวเท่านั้นเอง พอนางกายตายไปเดี๋ยวเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเรายังต้องการมาเสพสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอมาเกิดก็ยอะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆอย่างที่พวกเราเจอกันอยู่เรื่อยๆทุกในการทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกกับการเจอภัยต่างๆทุ ก, กับการสูญเสียสิ่งที่เรารักทุกกับการมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้ มีแต่ความทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปแต่เรื่อยๆคุกตารางนี้ที่กักขังเรานี่มันมีสี่กำแพงสี่ด้านด้วยกันกําแพงด้านหนึ่งก็คือเกิดกําแพงด้านที่สองก็คือแก่ด้านที่สามก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยและด้านที่สี่ก็คือความตายไม่ว่าใครก็ตามโยงวิญญาณของใครก็ตาม จะหนีไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายจะไม่สามารถออกจากกำแพงของการเกิดแก่เจ็บตายได้นอกจากผู้ที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นคนแรกที่จะได้รู้ค้นพบทางออกจากคุกตรางของการเกิดแก่เจ็บตายได้และหลังจากที่พระองค์ได้ค้นพบทางออกจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วพระองค์ก็ทรงมีความเมตตามีความสงสารพวกที่ ยังติดในคุกตารางอยู่อย่างพวกเรานี่อยู่ท่านก็จะมาสอนพวกเราให้รู้จักวิธีที่จะทำให้เราได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าถ้าถ้าพบใดชาติใดถ้าเราได้มาเกิดมาเจอกับพระพุทธเจ้าก็ดีมาเจอกับพระธรรมคำสั่งคำสอนก็ดีหรือมาเจอกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี เราก็จะได้มีโอกาสที่จะออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเรามีความศรัทธามีความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอนหรือของพระอริยสงสารวกแล้วถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามคำสอนได้คำสอนนี่แหละที่จะพาให้เราได้ออกจากคุกตาราง แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้การคุกตารางเวลาที่เราออกจากคุกตารางนี้เราก็เรียกว่าเราได้ไปสู่พานิพานกันพานิพานคือสถานที่ที่อยู่นอกคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายเหมือมมนคุกตารางในโลกนี้เวลาเราทำผิดกฎหมายเราก็ถูกจำจาโทษถูกสั่งให้ไปอยู่ในคุกตารางเราก็ไม่สามารถออกมาข้างนอกได้ จนกว่าเราจะพ้นโทษพอเราพ้นโทษเราก็จะออกมาอยู่ที่นอกคุกนอกตารางฉั้นใดคุกตารางแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือตายภพนี้ก็เป็นอยู่ของที่อยู่ของพวกที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตนเองให้ออกจากคุกตารางได้แต่พวกที่สามารถปฏิบัติตนเองให้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็จะอยู่นอกคุกตารางนอกคุกตารางนี้เราเรียกว่านิพพาน เป็นที่ที่อยู่นอกคุกไม่ต้องอยู่ในคุกเป็นที่ที่ไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นที่ไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวนี่แหละคือที่ที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าได้ค้นพบและได้สามารถพาตัวของท่านให้ไปอยู่ที่นอกคุกนอกตารางนี้ได้ แล้วหลังจากที่ท่านได้ออกไปอยู่นอกคุกนอกตารางได้แล้วท่านก็เอาวิธีที่ท่านปฏิบัติที่พาให้ท่านได้ออกไปออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้มาสั่งสอนพวกเราที่ยังติดอยู่ในคุกตารางอยู่ก็อยู่ที่ว่าพวกเราจะมีความเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเราเป็นนักโทษหรือไม่บางบางทีเรายังอาจจะไม่รู้เสียด้วยซ้ํำว่าเรากําลังเป็นนักโทษ เรากําลังติดคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดนีถ้าเราไม่รู้ความจริงและเราไม่เชื่อว่าเราเป็นนักโทษเราก็อาจจะไม่มีศรัทธาความเชื่อในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีในคําสั่งคาสั่งคําสอนของพระธรรมคำสอนก็ดีใยคําสั่งคําสอนของพระอริยสง์สาวกก็ดีถ้าเราไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็จะไม่ศึกษาไม่เรียนรู้คำสั่งคำสอนเมื่อเราไม่เรียนรู้เราก็จะไม่ปฏิบัติตาม mm hmm. เมื่อเราไม่ปฏิบัติตามเราก็จะอยู่ในสถานภาพเดิม mm hmm. คือเราก็ยังจะเป็นอยู่แบบนักโทษต่อไป mm hmm. เวียนว่ายตายเกิดนี้ต่อไปแล้วก็จะอยู่ไปเรื่อยๆแบบนี้ mm hmm. ถึงแม้ว่าคราวหน้ามีโอกาสได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ mm ์ hmm. อีกรอบหนึ่งก็ตาม ซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆนานๆสักครั้งหนึ่งที่จะมีโอกาสได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะเป็นผู้บอกทางให้เราได้เล็ดลอดออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้งนั้นก็อยู่ที่พวกเราว่าพวกเราเมื่อเราได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์แล้วเราจะมีศรัทธาความเชื่อในคาสั่งคาสอนของท่านหรือไม่ เราจะเชื่อหรือไม่ว่าเรากําลังเป็นนักโทษที่ติดคุกติดตารางของการเกิดแก่เจ็บตายอยู่มาเป็นเวลาอันยาวนานพบนี้ชานี้เป็นโอกาสที่นานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้ออกจากคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้และการจะเอาได้นี้เราก็ต้องทําปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้กระทํามาแล้วได้ปฏิบัติมาแล้ว ที่ได้พาให้ท่านได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายได้แล้วถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามได้เราก็จะสามารถพาให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้<ม>ดังนั้นถ้าเราคิดว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงสั่งสอนนี่<ม>เกี่ยวกับตัวเรานี้เป็นความจริงว่าเราเป็นดวงวิญญาณเราไม่ได้เป็นร่างกาย<ม>เราเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ชั่วข่าวร่างกายนี้ก็อยู่ได้ไม่นานไม่เกินร้อยปีหนึ่งก็ต้องตายไปแต่ใจเรายังไม่ตายใจเราที่ยังมีความอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นโน้นเสพรูปประชานหรือเสพรูปประชานอยู่ก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้พบกับพระพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพบพระพุทธเจ้าเองก็ดีหรือพบกับพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดี ที่จะสอนให้เราออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดได้ดังนั้นถ้าเราคิดว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นหนทางออกจากคุกตารางแห่งการเวียนว่าตายเกิดเราก็ต้องเชื่อในคำในคำสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อแล้วก็ศึกษาแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้หลุดพ้น ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้คําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้เราได้ออกจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็มีอยู่สาข้อด้วยกันที่เราจะต้องปฏิบัติข้อที่หนึ่งก็คือทรงสอนให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงข้อที่สองให้เราสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมข้อที่สให้เราชําระจิตใจให้สะอาดบริสุดธ ชำระความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่เป็นตัวเหตุที่จะดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี่คือภารกิจหรืองานที่เราจะต้องทําถ้าเราอยากจะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ไปอย่างถาวรไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็ต้องทําตามที่พระเจ้าทรงสอนให้กระทํา พอพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านก็ได้กระทําการกระทําทั้งสามข้อนี้แล้วและเห็นผลที่ได้รับก็คือการได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้อย่างแน่นอนท่านได้หลุดออกไปแล้วท่านพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ใช้ร่างกายของท่านมาเป็นเครื่องมือในการถ้อยแผงธรรมะคาสั่งคำสอนถ้าเราเชื่อฟังและเรานำมาไปปฏิบัติ เราก็จะสามารถที่จะหลุดออกจากกองทุกของการเกิดแก่เจ็บตายที่เราติดมาอยู่เป็นเวลาอันยาวนี้ยาวนานนี้ได้ข้อที่หนึ่งที่สอนให้เราละการกระทาบาปก็คือเรื่องต้นเราต้องปิดประตูบ่ายก่อนตอนนี้เราเป็นมนุษย์เราต้องรักษาความเป็นมนุษย์ไว้การที่เราจะเป็นมนุษย์ได้โดยที่ไม่ตกลงไปต่ำของวความเป็นมนุษย์ก็คือเราต้องไม่ทาบาปเพราะว่าถ้าเราทาบาปแล้ว จิตใจของเราก็จะลงต่งกว่าความเป็นมนุษย์การที่เราจะออกจากคุงตารางแห่งการยังไล่ตายเกิดได้นเราต้องยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลาดับจากการเป็นมนุษย์เราต้องยกระดับให้ไปเป็นเทพจากเทพให้ไปเป็นพรหมจากพรหมให้ไปเป็นพระอริยบุคคลเราถึงจะสามารถที่จะออกจากวัตฏะสงสารได้ แต่ในเบื้องต้นเราต้องออกเราต้องอย่าตกลงไปต่ำกว่ า, า ก, การเป็นมนุษย์ตอนนี้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แสดงว่าจิตใจของเรานี้ออยู่ในระดับของของมนุษย์แต่ถ้าเราเริ่มทําบาป ท, ทียรเล็กเทียน้อยบาปมันก็จะค่อยมาแปลงจิตใจของเราจากการเป็นมนุษย์ให้กลายไปเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างเป็นนรกบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้จิตใจเราตกต่ำลงต่ำเพราะเราต้องการจะส่งจิตใจเราให้ขึ้นขึ้นสูงไปเหมือนกับการที่เราส่งยานาวกาศให้ออกจากโลกนี้ไปเราต้องใช้จรวนแล้วก็ส่งส่งยานาวกาศให้ให้เทียนขึ้นสู่ท้องฟ้าให้ออกให้ให้ออกไปจากแร ง, งดึงดูดของโลกนี้ยานาวกาศถึงจะไม่ต้องกลับไม่จะได้ไม่ต้องตกกลับลงมาอีก ถ้ายาณอมกาัสามารถออกจากแรงดึงดูดของโลกนี้ได้ฉะนั้นใดจิตใจของเราก็ต้องก็ต้องพัฒนาต้องยกระดับให้สูงขึ้นไปเพื่อที่จะได้พ้นแรงดึงดูดของวัฏสงสารแรงดึงดูดของวัฏสงสารก็คือการกระทาบาปต่างๆและการทำะารตามความอยากต่างๆคือทาความโลภความอยากต่างๆ การทำบาปหระการทำความโลภนี่มันจะดึงให้จิตใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆส่วนการทำบุญนี้จะเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นข้อที่หนึ่งเราจึงต้องมาปิดประตูบ่ายกัน้นไม่ให้จิตใจเราลงต่ำถ้าเราสามารถรักษาศีลห้าได้เป็นปกติไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ของผู้อื่นไม่ประพฤติผิดประเพณี ไม่พูดเปิดไม่เดินชลายามเมาี่ถ้าเราสามารถปฏิบัติห้าข้อนี้ได้เราก็จะป้องกันไม่ให้จิตใจเราลงต่ำได้ถ้าเกิดเราตายไปเราก็ยังจะกลับมาเราไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในาบาทเราก็สามารถกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาปฏิบัติต่อได้พอรักษาความเป็นมนุษย์ได้ด้วยการรักษาศีลห้าไม่กระทำบาป ท, ทั้งปวงได้แล้ว เราก็ต้องยกระดับของใจของเราให้สูงกว่าความเป็นมนุษย์การที่ใจจะสูงกว่าเป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาได้ก็เกิดจากการทําบุญทําทานทําบุญทำํำกุศลต่างๆทําความดีต่างๆทวามดีก็มีหลายรูปแบบด้วยกันก็คือทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันเวลาที่มี ความเดือดร้อนอะไรเราช่วยเหลือกันไปหรือเวลาที่เรามีข้าวของเงินทองเหลือกินเหลือใช้เราก็เอาไปแจกเอาไปให้คนที่เขาขาดที่เขายากจนให้เขาได้มีความสุขเหมือนกับที่เราได้ความสุขจากสิ่งของต่างๆคือการทำความดีนี่เาเรียกว่าการทำบุญทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้เวลาที่เราทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้ความสุขที่เราให้เขานั้นก็จะกลับมาหาเรา จะยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้เราได้ไปเป็นเทวดากันจิตใจเราก็สูงขึ้นอีกขั้นนะครัสูงกว่าจากการเป็นมนุษย์ถ้าเวลาร่างกายนี้ตายไปถ้าเราอยู่ในขั้นของการทำทำบุญไม่ทํำบาปลักษาศีลห้าได้ทําแต่บุญใจเราก็จะเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ แล้วถ้าเราอยากจะเราต้องการที่จะไปสูงกว่านี้เราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งข้อที่สามพรเจ้าทรงสอนให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะว่าใจของเรานี้ยังมีสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองอยู่สิ่งที่จะคอยตึงใจให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ การที่เราจะกําจัดความโลภความโกรธต่างๆที่มีในใจนี้ให้เบาบางลงให้หมดไปนี้เราต้องเกิดจากการปฏิบัติข้อที่สามก็คือการชำระจิตใจให้สะอาดการชำระจิตใจให้สะอาดนี้เราเรียกว่าการภาวนาภาวนาก็มีอยู่สองระดับด้วยกันสมถะภาวนาซักพอกจิตใจด้วยการทําใจให้สงบ แล้วข้อที่สขั้นที่สองของภาวนาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาซักพอกจิตใจให้สาบริสุทธิ์ด้วยการใช้ปัญญา mm hmm. การใช้สติเพื่อทําใจให้สงบนี้เป็นการซักพอกแบบชั่วคราวยังไม่ไม่ถาวรขั้นที่จะถาวรต้องซักพอกจิตใจด้วยปัญญาแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาได้ก็ต้องผ่านขั้นสมาธิขั้น สมสถะภาวนาก่อนนี่คือขั้นที่จะยกดวงวิญญาณหรือยกจิตใจของเราให้สูงกว่าร ะ, ระดับชั้นเทพก็คือถ้าเราฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้ชักพอกหรือทำให้ความโลภความอยากต่างๆสงบตัวลงชัว่วคราวเราก็จะขึ้นจิตใจก็เข้าสู่ระดับของพรห ม, มโลกเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหม เพราะสมถะภาวนาก็คือการเข้าสมาธิเข้ารูปปัจจานหรือเข้าอารูณปัจจานนั่นเองเวลาที่จิตเราได้เข้าสู่ความสงบของรูปปัจจานหรืออรูณปัจจานความโลภความอยากต่างๆที่เป็นตัวเหตุที่พาให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะถูกระงับไว้ชั่วคราวมันก็จะทําให้จิตใจเรามีความสุขมีความสงบไม่มีความหิวโหย กับการที่อยากจะมาเสกรูปเสียงกลิ่นลดผลถภชนิดต่างๆปัญหาของรูปประชานะรูปประชาญก็อยู่ตรงที่ว่ามันเป็นของที่ไม่ถาวรมันเป็นของชั่วคราวได้แล้วเวลาอยู่ในรูปประชาญมันก็มีความสุขความอิ่มไม่หิวไม่โหยกับอะไรไม่คิดอยากจะได้อะไรแต่เวลาออกจากชานออกมาได้ไม่นานกำลังของชานก็จะเสื่อมไป พอกำลังของฌานเสื่อมไปความโลภความอยากมันก็ที่ถูกกําลังของฌานกดเอาไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่มันก็จะดึงให้ใจกลับมาเกิดได้กลับมาเกิดต่อไปได้อีกจ mm hmm. ขั้นต้นนี้ท่านบอกว่าให้ยกระดับของใจเราให้ขึ้นสู่ระดับของของพรหมก่อนของของรูปประรมของรูปประรมด้วยการเจริญสมถะภาวนาการเจริญสมถะภาวนาก็คือการฝึกสมาธิ กาฝึกสมาี่นี้เราต้องมีสติเป็นเครื่องมือถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่สามารถทำใจให้เข้าเข้าฌานได้การเข้าฌานก็คือการหยุดคิดนั่นเองการที่เราจะหยุดคิดได้เราต้องมีสติเป็นตัวคอยคอยหยุดความคิดของเราสตินี้ก็มีหลายรูปแบบด้วยกันที่เรียกว่ากรรมาฐาน4 0เป็นสติวิธีเจริญสติส่วนใหญ่เราจะรู้จักวิชวิธีเจริญสติด้วยการใช้ พุทธานุสติก็คือใช้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระพุทธคุณหรือร ะ, ะลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าก็คือพุทธโธพุทธโธถ้าเราพยายามเจริญบริกรรมคําว่าพุทธโธพุทธโธไปในใจอยู่เรื่อยๆ <c oughs> การบริกรรมพุทธโธนี้จะสามารถยับยัง้งทําให้ใจเราไม่เป็นคิดอะไรได้อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็เวลาที่นั่งสมาธิ เราจะใช้อานาปานาสติก็ได้ใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้จะดูที่ปลายจมูกก็ได้หรือดูที่หน้าท้องก็ได้ <c oughs> เวลาที่ดูหน้าท้องเราก็เรียกว่ายุบหนอ่อพองหนอ่อเวลาท้องพองขึ้นมาเราก็เรียกว่าลมเข้าไปท้องก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกจากร่างกายไปมันท้องมันก็จะยุบลงไป <c oughs> คนที่ดูดูลมที่หน้าท้องก็จะดูแบบยุบหนอ่อพองหนอ่อ คนที่ดูที่ปลายจมูกก็ดูที่ปลายจมูกดูว่าลมเข้าลมออกให้รู้เฉยๆว่าลมกำลังเข้ารือกำลังออกไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่ที่จุดที่ลมเข้าออกคือจุดที่ปลายจมูกถ้ามีการรับรู้อยู่อย่างเดียวใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าใจไปคิดก็สแสดงว่าไม่ได้ดูลมแนละ้วเราก็ต้องเดินกลับมาดูลมถ้าใจเริ่มคิดถึ ง, งคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ ก็แสดงว่าเราไม่มีสติแนละ้วเราก็ต้องพยายามดึงให้กลับมาดูลมการที่จะนั่งสมาธิดูลมได้หรือพุโทโธได้นี้เราต้องฝึกสติให้มากมากก่อนถ้าเรายังไม่มีสติพอเวลาเรามานั่งสมาธิใจเราจะไม่ยอมอยู่กับลมจะไม่ยอมอยู่กับพุโทโธมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันนั่งไปท่านานทา่าไรจิตก็จะไม่สงบ เพราะสติเรามีกำลังน้อยดันั้นการที่เราจะนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบได้ให้จิตเข้าฌานได้นี้เราต้องฝึกสติให้มากๆเราจึงต้องฝึกสติทั้งวันตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ท่านสอนให้เราฝึกสติถ้าเราตื่นขึ้นมาเราจะใช้คำานียนคำพุโทโธพุโทโธไปก็ได้ควบคู่กับการทำงานต่างๆของของร่างกาย เราตื่นขึ้นมาเราก็ต้องเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวในขณะที่เราทํากิจกิจเหล่านี้เราก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆด้วยการบังคับให้จิตคิดอยู่แต่คําว่าพุทธโธพุทธโธไปภายในใจอันนี้ก็จะเป็นการฝึกสติไปในตัวคอยคอยควบคุ ม, ค ว, มความคิดคอยหยุดความคิดไม่ให้ใจคิดถ้าเราฝึกสติแบบ น, นี้ได้อย่างต่อเนื่อง เวลาเรามานั่งสมาธิานี้เราจะมีสติมากเราจะไม่ค่อยคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราให้อยู่กับพุท <oke> โธพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธพุทโธไปหรือถ้าเราอยากจะใช้ลมหายใจเราก็ดูลมหายใจเขาออกไปก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างไม่ต้องใช้พุทโธควบคู่กับลมหายใจก็ได้คนที่ใช้พุทโธลุกควบคู่กับลมหายใจก็เพราะว่า มันไม่มีสติพอที่จะดูลมอย่างเดียวหรือเือพุโทโธอย่างเดียวเลยต้องอาศัยสองอย่างมาช่วยแต่มันก็ช่วยไม่ได้มากหรอกถ้าเราไม่มีสติก่อนที่เรามานั่งเหตุนั้นทางที่ดีสิ่งที่เราควรจะทาถ้าอยากจะให้จิตเราสงบเข้าฌานเข้าสู่รูปประชานหรือรูปประชานได้กุญแจสำคัญในของการนั่งสมาธิก็อยู่ที่การมีสตินี่เองเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกสติตลอดวัน ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามให้มีสติรู้อยู่กับงานที่เราทำก็ได้<ม>ดเข้าดูการกระทำต่างๆของร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่ากายกตาสติแล้วถ้ามันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เราก็ใช้พุทโธมากํากลับอีกกันหนึ่งก็ได้พุทโธไปแล้วก็ดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรไปก็สำคัญอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่อง น, น, องนี้ให้มันรู้อยู่กับงานที่กาลังทาอยู่ กำลังรับประทานอาหารก็ให้รู้อยู่ว่ากำลังรับประทานอาหารกำลังตัดข้าวข้าวป่ากำลังเคี้ยวกำลังกลืนให้รู้ทุกขั้นตอนของการกินไม่ให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ว่าจะทําอะไรให้มีสติอยู่เฝ้าดูการเคลื่อนไหวตลอดเวลาเพราะว่าเร า, เราต้องทำงานทาการร่างกายเราต้องทำนู่นทานี่แต่เราสามารถใช้การทำงานของร่างกายนี้เป็นที่ฝึกสติได้ ถ้าเราคอยบังคับใจให้เราอยู่กับการทำงานของร่างกายอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าปล่อยให้อย่าปล่อยให้ใจเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปอดีตอย่าไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันก็อยู่กับการปัจจุบันก็คือการเคลื่อนไหวการกระทำต่างๆของร่างกาย นี่ก็คือการฝึกสติดึงใจให้อยู่อยู่กับที่ไม่ให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าเราฝึกสติอย่างนี้ได้ความคิดในใจเราจะน้อยลงไปแล้วพอเวลามานั่งสมาธิเราจะดูลมอย่างเดียวก็ได้เราจะบริกรรมพุทโธอย่างเดียวก็ได้แล้วมันก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้ามันอยู่กับลมได้อย่างต่อเนื่องไม่นาน5นาที10บนาที มันก็จะนิ่งสงบเป็นสมาธิเป็นฌานขึ้นมาได้นี่คือทนการชำระใจขั้นแรกเราต้องการชำระกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเพราะกิเลสตัณหาความโลภความอยากนี่แหละที่เป็นตัวที่จะดึงให้เรากลับมาเกิดในการมาพบเกิดในรูประพบแล้วเกิดในอรูประพบเราต้องเบื้องต้นต้องตัดกำลังของมันด้วยการเข้าฌานเข้าสมาธิ พอเราเข้าสมาธิเข้าฌานบ่อยๆกำลังของความโลภความอยากมันก็จะน้อยลงไปมันจะโผล่ขึ้นมาเฉพาะเวลาที่เราออกมาจากสมาธิเมื่อมันออกจากสมาธิมาเราก็ใช้การภาวนาขั้นที่สองที่เรียกว่าวิปัสนาภาวนาที่จะมาทำลายหรือมากําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้อย่างถาวรเพราะว่าความโลภความอยากนี้มันเกิดจากความหลงความไม่รู้ว่า การกระทําตามความโลภความอยากนี้นำไปสู่ความทุกข์ใจนําไปสู่ความวุ่นวายใจนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองพอเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วว่าการกระทําตามความโลภความอยากนี้จะพาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราอยากได้ที่คิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วกราวเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป พอหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจท่านสอนให้เรามองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราโลภเราอยากได้ว่าเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์<ม>เวลามันหมดไปมันก็จะทำให้เราทุกข์<ม>ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์<ม>เราก็อยากไปอยากในสิ่งต่างๆให้ตัดความอยากที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไป พอเราเห็นว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้นําไปสู่ความสงบสู่ความสุขแต่นําไปสู่ความวุ่นวายความอยากที่ไม่รู้จักจบสักท้นอยากได้แล้วพอได้สิ่งนั้นมาพอสิ่งนั้นหมดไปก็ต้องหามาใหม่หาอยู่เรื่อยๆหาได้มากหาได้น้อยมันก็จะต้องคอยหาอยู่เรื่อยเพราะสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเนื้อมันเป็นของชั่วคราวมันเป็นของไม่เทีย่ยง อยาต้องใช้ปัญญามองให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ท่านการมรุสุก็ดีการด้วยความสุขจากการมาคุณห้าก็ดีความสุขจากรูก ป, ประชานก็ดีความสุขจากกรลูประชานก็ดี้วนเป็นความสุขชั่อกาวเวลามันเสื่อเวลามันหมดไปมันก็จะทําทให้เราเศร้าทําให้เราทุกข์แต่ถ้าเราไม่ไปเสดมันไม่เสดการมรสุขไม่เสดรูกประชานไม่เสดกรลูประชานได้ใจเราก็จะไม่ไม่ ไม่ไม่เศร้าไม่เสียใจไม่สุขไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนอะไรเหมือนคนที่ไม่ติดยาเสพติดคนที่ติดยาเสพติดแล้วต้องคอยมียาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพแล้วก็จะทําให้หงดหงิดลาคาญใจเพราะว่ายาเสพติดจะให้ความสุขแบบชั่วคราวพอเสพแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดก็อยากจะเสพติดพออยากแล้วไม่ได้เสพก็จะหงดหงิดจะทุกข์ลำคานใจขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ แต่พอเลิกเสพได้ก็จะไม่มีปัญหาเวลาคนคนคนที่ไม่ติดยาเสพติดนี้เขาจะไม่เดือดร้อนเวลามียาเสพติดให้เสพหรือไม่ก็ตามแต่ใดคนที่ยังติดติดการมมาคุณห้าอยู่ก็ต้องเสพกรรมมาคุณหไปเรื่อยๆเดี๋ยวดายที่ไม่ได้เสพการมมาคุณห้าก็จะทุกข์จะจะหดหดลำคาญใจคนที่เสพรูกประชานเรือดรูปประชานก็เช่นเดียวกันเวลาที่ไม่ได้เสพรูปประชานรูปประชานก็จะเกิดความหุดหดใจ แต่ถ้าเราเลิกเสพสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดใจของเราก็จะไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความหงุดหงิดนำขานใจแต่อย่างใดใจของเราก็จะสงบจะอิ่มจะพออยู่ตลอดเวลาเพราะสิ่งที่ทําให้ใจหิวใจไม่พอก็คือความอยากนี่พอเราหยุดความอยากได้ด้วยปัญญาเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวสร้างความหิวสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่รู้จักจบจากสิ้นพอเราฝืนความอยากได้หยุดความอยากได้ พอความอยากสงบหายไปใจเราก็เย็นสงบขึ้นมาทันทีอิ่มขึ้นมาทันทีพอขึ้นมาทันทีอันนี้แหละคือขั้นสุดท้ายของการที่เราจะชำระจิตใจเพื่อตัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปให้ได้ถ้าเราทําได้ด้วยปัญญาแล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตาพเพราะไปเพราะความอยากเสพกามะคุณห้าก็ไม่มีความอยากจะเสพรูก ป, ประชานอาู ป, ประชานก็ไม่มี เมื่อไม่มีความอยากเหล่านี้ก็จะไม่มีเหตุที่จะดึงให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปไม่ให้เรามาเกิดในการมาพบในรูปพบหรือในอรูปพบอีกต่อไปใจเราก็จะอยู่นอกคุกนอกตารางสถานที่ที่อยู่นอกคุกนอกตารางนี้ท่านเรียกว่านิพานนี่นิพานก็คือที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนิพานนี้อยู่นอกนอกตายพบไม่ได้อยู่ในตายพบผู้ที่อยู่ อยู่นิพพานนี้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่อยู่นิพพานก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกผู้ที่ได้กระทําหน้าที่ชําระจิตใจให้สะอาดได้ละการกระทําบาป ท, ทั้งปวงได้สร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมแล้วเท่านั้นนี่คือวิธีการที่เราจะมาแก้ปัญหาของพวกเราปัญหาพวกเราก็คือตอนนี้เราเป็นนักโทษติดในคุกตารางแห่งการเกิดแก่เจ็บตาย ถ้าเราอยากจะออกจากคุกของการเกิดจะละเจ็บตายเราก็ต้องมาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเจอแล้วเราก็ต้องมีศรัทธาความเชื่อในคําสั่งคําสอนและปฏิบัติตามคําสอนสามข้อที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติกันก็คือให้เราละการกระทําบาป ท, ทั้งปวงให้เราสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้เราชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเราปฏิบัติได้ครบสาข้อนี้แล้วใจเราก็จะหลุดออกจาก การเวียนว่ายตายเกิดหลุดออกจากคุกตารางของการเกิดแก่เจ็บตายอย่างท้าวอนไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปนี่คือเรื่องราวที่อามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรอยะถาวาเรวะฮาปุราปาริปุเรนติสากะลัง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 มาเตผวะตวันตาลโยสุขีทีขายุโกผวะอภีวะาทานสีริษะนิจังวุธาประจายโนจตารธมรวทาทันติอายุวันโอสุขังฮาลาช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะหลังจากเลิกก็แล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบเพราะหมดแรงถ้าอยากจะถามถามตอนนี้เพร่อมีไมโครโฟนพูดเสียงดังหน่แล้วก็ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้อนนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเไร้น้อมกราบนามสกานเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook 417 Youtube พระอาจารย์สุชาติ266 Youtube ด็อกเตอร์วีหกสิบวยุออนไลน์เจคลับฮาสเจผู้รับฟังนาคุติหนึ่งรกสิบรวมเก้าห้าสบหท่านเจ้าค่ ะ, ะมีคำถามไหมหนูมีเยอะเปล่าเดี๋ยวรอถามหน ค่ะหนูภาวานาแล้วติดปัญหาค่ะหลวงพ่อเคยฝึกรู้ลมหายใจกระทบจมูกแต่ว่าพอลมหายไปเราก็รู้สึกอยากเห็นลมหายใจชัดๆก็เลยหายใจแรงขึ้นแล้วผลก็คือเวลาที่เราตื่นนอนขึ้นมาทุกครั้งจิตมันจะไหลไปกับอาการบังคับลมหายใจแรงๆเฮือกๆทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกเช้าเลยค่ะอทีนี้มันไม่ถ การดูลมนี้ให้ดูเฉยๆอย่าไปบังคับลมอย่าไปบังคับให้หายใจลึกหายใจยาวเลยอะไรก็ตามให้รู้เฉยๆเป็นที่ผูกใจด้วยการดูถ้าลมไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีดูที่จุดเดิมเหมือนเดิมเพราะจุดนั้นจิตมันเรอบละเอียดแล้วมันจะเข้าสู่ความสงบแล้วเราไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่ให้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวจิตก็จะวุบลงไปจะนิ่งสงบได้นั้นไม่ต้องทําอะไร ดูลมเหมือนกับตอนที่มันมีลมเพียงแต่รู้ว่าตอนนี้มันไม่มีลมนะัแต่ก็ดูต่อไปคเท่านั้นเองไม่ต้องทำอะไระถ้าเราไปบังคับลมท่าจิตมันจะต้องทํางานถ้าจิตทํางานเันก็จะไม่สงบเราต้องการให้จิตหยุดทํางานวิธีจิตจะหยุดทํางานก็ให้รู้เฉยๆท่านั้นเองคเข้าใจนะลองทํำดูจะเอาไปทําต่อคะอ่ะอ่ามีมีคําถามอีกคนถามอีก เล ย, เล ย, เลยกับนัสกสกันพระอาจารย์ค่ะคื อ, อเวลาหนูทํางานนะคะอาจจะต้องอาชีพหนูเนี่ยเวลาตัดสินใจอาจจะต้องตัดสินใจตัดสินใจบ่อยๆค่ะแล้วก็ต้องตัดสินใจแล้วการตัดสินใจเนี่ยก็มีผลกระทบกับคนอื่นกับชีวิตคนอื่นหรือว่าคนหมู่มากพีนี้หนูก็ใช้ มีความลำบากในการตัดสินใจหนูหนูเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าใช้โยนิโสมานสิการในการคิดพิจารณาอย่างคะ่ะว่าให้เชื่อตนเองหรือว่าไม่เชื่อแม้กระทั่งหนังสือหรือว่าคนนั้นเป็นอาจารย์ของเราแบบนี้คะ่ะหนูก็ใช้แบบนั้นแล้วก็แต่ว่าบางครั้งมันก็ยากคะ่ะพระอาจารย์พอมีคําแนะนําให้หนูบ้างไหมคะคือการกระทําของเราเนี่ยมันจะต้องมีผลกระทบตามมากับตัวเราและกับผู้ เราก็ต้องดูว่าผลกระทบกับตัวเรากับผู้นั้นมันดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีเราก็ไม่ไม่ควรจะตัดสินใจไปทางนั้นให้ตัดสินใจไปในทางที่เกิดประโยชน์เกิดคุณกับเราหรือกับผู้ถ้ามันเป็นโทษก็อย่าไปทำเข้า<ม>ใจไหมบางบางครั้งมันเป็นเหมือนสีเ ท, ทาๆอะค่ะพระอาจารย์ ซึ่งมันทําให้ยากต่อจิตใจเวลาเราคิดอะไรค่ะอาจารย์พระอาจารย์ก็เราต้องชั่งน้ําหนักว่าอนไร ส, สำคัญกว่ากันว่างานสําคัญกว่าหรือว่าการกระทําของเรามันสําคัญกว่าเช่นเราทํางานแล้วอาจจะต้องทําบาปเพื่อให้สําเร็จประโยชน์เราอาจจะเล่าเรียกว่าเราสู้อย่ากทำบาปดีกว่าเราอมเสียสเสียประโยชน์ทางการทํางานไป ถ้ามันจำเป็นย็จะต้องออกจากงานก็ออกไปเพราะว่าทำทำผลประโยชน์ให้กับงานแต่ได้รับผลบาปนี้มันได้ไม่คุ้มเสียเพราะเราจะต้องไปรับผลบาปต่อไปหลังจากที่ร่างกายเราตายไปแล้วเน้นต้องให้มีมีหลักวิทยุคือศีลและธรรมต้องไม่ผิดศีลห้าการกระทำอะไรไม่ว่าจะทำอะไรกับใครก็ตามเราต้องยามเสียสละ ประโยชน์ส่วนน้อยเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็คือใจของเราเราต้องพยายามรักษาฐานะสถานภาพใจของเราให้ให้อยู่อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าการเป็นมนุษย์ mm hmm. แล้วส่วนประโยชน์ส่วนย่อยมันเป็นประโยชน์ชั่วคราวใช้ประโยชน์่ากจากงานจากสิ่งต่างๆที่ได้จากในโลกนี้มันก็แค่ชั่วเราขณะที่มีชีวิตอยู่ตายไปประโยชน์เหล่านั้นเราก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลย เราต้องมองภาพไกลอย่ามองแต่ภาพสั้นๆอย่าไปมองแต่ประโยชน์ช่วช่วข่าวมองประโยชน์ที่มันเป็นระยะยาวสียตามมาต่อ ก, การนมัสการคะ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคะอยากจะมาขอคําแนะนําเพิ่มเติมในการนั่งสมาธิะค่ะคือหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะหนูตั้งใจไว้ว่าหนูจะนั่งสมาธิทุกวันเวลาจริงๆไม่ได้ใช้เวลาเยอะค่ะเวลาสิบห้านาทีอทีนี้หนูอยากจะพัฒนาเพิ่ ม, มขึ้นคือหนูเห็นว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาค่ะทําแบบนี้ทุกวั น, นมันจะมีจังหวะหนึ่งที่หนูเคยเห็นคือมันเป็นความรู้สึก นิ่งสบายสบายเข้ามาเข้าม า, เ ข, า, มาเข้ามาข้างในใจิตใจแล้วคราวนี้หลังจากนั้นนะคะหนูพยายามที่จะเหมือนแบบเข้าอารมณ์นั้นอีกบ่อยๆอย่างเงียง้ยค่ะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างหนูไม่รู้ว่าอันเนี้ยหนูทําถูกหรือเปล่าอะค่ะอย่าไปอยากเข้าเราต้องมีสติอยู่กับการดูลมแล้วยอยู่กับพุโทโธไปอย่าไปอยากให้มันสงบเพราออยากสงบปั๊มนี่มันจะไม่สงบเพราะจิตเราเริ่มทํางานเราต้องการให้จิตหยุดทํางานด้วยการให้รู้เฉย เพราะฉะนั้นถ้าเราดูลมหรือเรากําลังพุดโธไปแล้วจตรู้สึกเกิดความสงบปกนดูลมต่อไปพุดโธต่อไปอย่าประหยาดให้มันสงบพอจะวิ่งเข้าไปหาความสงบมันจะหนีเราไปทันทีเพราะความสงบมันเกิดจากการที่เราไม่ไปวิ่งตามมันพอนเราวิ่งตามมันก็วิ่งตามเงาเราเนี่ยพอเงามันอยู่ข้างหน้าเราวิ่งไปหามันตรงนั้นมันก็นหนีไปตรงนู้นต่อเราต้องอยู่เฉยๆต้องรู้เฉยๆแล้วต่อไป ค่ะมันถ้าถ้าเป็นแบบที่หลวงพ่อบอกก็คือหมายถึงว่าคืออย่าไปอยากมันแล้วก็อ่าแล้วแล้วลอย่างเรื่องเวลาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อดูวความหนูตั้งใจทําทุกวันอ่ะแล้วคือ15นาทีมันคือมันไม่กระทบกับอะไรเลยแต่หนูจําเป็นต้องตั้งใจทําให้นานกว่าเดิมมากกว่าเดิมยังไงบ้างไหมคะหรือว่าจริงๆแบบเนี้ยไปก่อนก็ได้ค่ะก็ถ้าเพิ่มได้ก็เพิ่มเพิ่มไปเท่าเล็กเท่าน้อยจาก15บหาก็ลองต่ออีกห้านาทีเป็นยีส พออยู่ได้คันยี่สิบไปได้ระยะหนึ่งแล้วรู้สึกมีกำลังกะเพิ่มไปรีบอ่านค่อยๆขยับไปทีละคันเพราะยิ่งนั่งานานเท่าไหร่มันก็จะได้ความสงบมากขึ้นไปแทนแต่ต้องนั่งด้วยแบบมีคุณภาพไม่ได้นั่งแบบใจรอยนั่งแบบมีสติต้องมีสติรู้อยู่กับลมมันก็ดีรู้อยู่กับพุโทโธก็ดีพยายามทำป ร, ประเด็นสำคัญอยู่ที่การมีสติ ส่วนจะยาวหรือจะสั้นนมันเป็นเป็นเรื่องลองลงมาถ้ามันยาวแต่ไม่มีสติมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้ามันสั้นแต่มันมีสติแล้วมันสงบอย่างนั้นมีประโยชน์กว่าเพราะฉะนั้นเราพยายามให้มีสติแล้วมันจะยาวไปเองพอมีสติใจสงบแล้วมันก็ไม่อยากจะลุกมันก็อยากจะนั่งต่อไปเรื่อยๆแต่พอนั่งไม่สงบแล้วมันก็ไม่อยากจะนั่งต่อไปมันอยากจะลุกเพราะจิตมันเริ่มอึดอัดเริ่มลงคาญ เพราะมันอยากจะไปทำนูน่นทำนี่แทนงนั้นประเด็นสำคัญในการนั่งสมาธิก็คือการให้มีสติกำกับใจตลอดเวลาในขณะที่เรานั่งอย่าเพลอสติ ค่ะคือช่วงหนูปฏิบัตินะคะหลวงพ่อหนูรู้สึกว่าช่วงเช้าเป็นช่วงที่หนูส่วนหนูกําลังมากที่สุดหนูไม่ง่วงนอนไม่เหนื่อยอะไรแต่พอตอนก่อนจะนอนหนูไม่เคยนั่งสมาธิเลยหนูไม่เคยสวดมนต์เลยด้วยเหมือนกันนะคะหลวงพ่อตรงนี้หนูอยากรู้ว่าหนูมาผิดทางไหมหรือจริงๆหนูควรจะแบบทําเช้าแล้วก็ทําเย็นนะคะไม่ไม่ผิดแร้วธรรมชาติของจิตเราตอนเย็นนี้มันเราเราไปทํางานมาเราไปสะสมเรื่องราวต่างๆมาในใจอยู่มาก พอมานั่งมันเรื่องเกา่าเรื่องที่ค้างค้างอยู่ในใจมันก็ยังไม่หมดแต่เวลาเรานอนหลับพักผ่อนตื่นเช้าขึ้นมาเรื่องราวต่างๆที่ค้างค้างอยู่ในใจมันหาใยไปหมดพอเวลานั่งมันก็เลยสงบง่ายเย็นสบายคือเหมือนหนูเลือดจังหวะให้หนูรู้สึกว่าหนูสงบที่สุดเพื่อเข้าสู่ความสงบ แทนที่จะเลือกที่จะต่อสู้กับความไม่สงบเพื่อให้สงบหนูเรียกรู้ว่าแบบหนูกาลังหนูไม่ได้กําลังหนีปัญหาอยู่ใช่ไหมคะไม่หรอกต้องไปบวชถ้าเราอย า, ทา <c oughs> กทำ <c oughs> คือปัญหาบางทีก็ต้องหนีเพราะปัญหามันเป็นตัวที่ทําให้เราไม่สงบถ้าเรา <c oughs> ทํางานเราก็จะมีปัญหาหตา่างๆแล้วมันก็จะข้างค้างอยู่ในใจของเราเพอเรานั่งสมาธิมันก็จะมารบกวนสมาธิของเราได้ งั้นคนที่อยากจะนั่งสมาธิได้ผลดีได้ผลมากมากเขาจะไปบวชกันแต่ได้ไม่ต้องมีเรื่องราวเกี่ยวกับการทํางานมาลบกวนใจอแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็เลือกทําเวลาที่มันไม่มีไม่มีปัญหาก็คือเวลาเช้าถึงออาจตื่นแต่เช้าหน่อยนอนหักข้ามหน่อยแล้วอาจจะมีเผื่อเวลาให้นั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นจากสิบห้าก็เผิ่อเป็นสามสิบนาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้เลือกเอาเวลาที่มันเหมาะมันที่มันทําแล้วมันง่ายก่อน ถ้าถ้าอยากจะให้มันดีตลอดไปก็ต้องก็ต้องออกจากงานแล้วก็ไปบวชมัน mm hmm. จะได้มีเวลาทาได้อย่างเต็มที่อย่างพวกคุณแม่ชีทั้งหลายเ <Okay. S 1> ขบวชแล้วเขาก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการทรมาหากินไม่ต้องมีปัญหาจากการงานต่างๆ mm hmm. ก็จะไม่มีมาเรื่องมีอะไรมาข้างค้างใจมารบกวนใจก็จะสามารถพอนั่งสรรมาธิปับก็อยู่กับพุโทโธได้อยู่กำลมหายใจได้เลย แต่ถ้าเรามีงานข้างครๆอยู่ในใจพอมานั่งสมาธิก็คิดถึงงานนะอืคิดถึงปัญหาอยากจะแก้ปัญหาอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมาใช่ค่ะเนี่ยการทํางานมันจึงเป็นอุปสรรคต่อ ก, การภาวนาการพัฒนภาวนาจึงเหมาะกับพวกที่เป็นนักบวชพวกที่ตกงานพวกที่ไม่มีงานทําพวกที่ว่างจากงานเราต้องเลือกทางไปต่อไปถ้าเราอยากจะต้องการความสงบทางใจจากการภาวนาเราก็ต้องออกจากงานไป แล้วก็มาอยู่แบบนักบวชพระพุทธเจ้าก็เป็นนักบวชนะมั้งเมื่อก่อนท่านก็เป็นเจ้าชายอยู่ในวงังแต่เป็นอยู่ในวังนั่งสมาธิมันก็สงบยากพ อ, อ, อกบวชแล้วมันก็สงบง่ายเข้าใจไหมสาธุค่ะเข้าใจค่ะ okay. แต่ตอนนี้ก็ทำไม่เท่าเทาที่เราทําได้ไปก่อนนีก็ไม่ทําเลยก<ม>ต้องทาเผื่อไว้ก่อนเตรียมตัวไว้ก่อนเผื<ค>่อ<ค>ต่อไปเราเบื่องงานไม่อยากจะทํางานแล้วเราก็จะได้ไปบวชได้ ปฏิบัติต่อได้นีค่ะหลวพ่อทราบหรือปล่าอันนี้ข้างหลังต่อสมัยไป You speak Thai or e n g l i s English. <S okay. <S Thank you. สวัสดีค่ะ When I love somebody and I feel heart broke, I feel some bitter suffer from love. So should I continue love? And what is love? Thank you. See, the reason why you got heartbroken is because you don't want to lose something that you love. So when you lose something that you love, you become heartbroken. So you don't want to be heartbroken. You can love, but don't expect them to be with you all the time. Expect them to be gone from you anytime. So if you know that everything is impermanent, everything is temporary. Then you can l a r n but you have to be prepared for losing something that you love. If you are ready to be, to to lose something that you love, then you won't be heartbroken, because you will be prepared for the situation when it when it happens. So this is how you should do with everything. Don't expect them to last. Expect them to be gone any time. Then when they are gone, that will make you heartbroken. You can start a new one. Find something new to replace the old one. If you lose an old car, you buy a new car. If you lose a friend, you find a new friend. If you still want to have friend, but if you find that having friend will always have problem s like this, then maybe you should learn to live alone. Don't have to have anything. You can be happy by being alone. Because when you r e alone, you don't lose anything. And so when you don't lose anything, you don't become heartbroken. But the problem is, you cannot live alone. Yet, you don't know how to live alone. So you have to learn from monks. Monks know how to live alone. The way to live alone is to do meditation instead of having friends. Meditate. When you meditate, when your mind becomes calm peaceful, you become happy being alone. Then you can live alone. a n you don't you don't have to have friends or anything to keep you happy. Okay. Thank you มีใครอยากจะถามอยังไหมไม่มีค่ะคำถามจะพูดแลบฟังนะักุดเจ้าคะ่ะโยมได้ทำบุญใส่บาตรและได้กุทศตบุญให้แก่คนเป็น mm. เช่นลูกชายและลูกสาวเพราะเขาเป็นคนใจร้อนและจิตใจเศร้าหมองโยมอยากทราบว่าแบบนี้แล้วเขาจะได้รับบุญและจิตใจเย็นขึ้นหรือไม่เจ้าคะ ไม่ได้หรอกคนที่มีชีวิตอยู่ต้องทําบุญเองแล้วต้องชวนเข้าไปทําบุญพาเข้าไปทําบุญเขาถึงจะได้บุญส่วนการอุทิศบุญนี้เพราะคนตายไปแล้วเขาทําเองไม่ได้เราก็เลยต้องอุทิศให้กับเขาแต่บุญที่เราอุทิศให้กับเขานี้เป็นเพียงเสี้ยวเดียวเท่านั้นของบุญที่เขาควรจะได้รับถ้าเขาทําเองเพราะฉะนั้นกับคนเป็นนี้เราไม่ไม่อุทิศบุญให้แต่เราจะชวนเขาไปทําบุญให้เขาทําบุญน้อยเขาได้เต็มร้อยเลย แต่ถ้าเขอาการาบเรียนถามครับความหมายของน้ําปานะคืออะไรและทําไมจะต้องเป็นเฉพาะน้ําปานะที่ใช้ถวายพระครับกำว่าน้นําปานะก็คือเครื่องดื่มที่พระพุทธเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ฉันได้ตอนบ่ายหลังจากเที่ยงวันไปแล้วท่านก็กําหนดว่าให้เป็นน้ําผลไม้น้ําที่ข้นมาจากผลไม้อ่า ผลไม้ก็ต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่นส้มนี่ได้อยู่สับประรดนี่ไม่ได้สับประรดนี่ใหญ่ครับจะมาคั้นเป็นน้ำเพื่อดื่มไม่ได้แต่ถ้าเป็นขนาดส้มลเล็กลงมาส้มองุ่นแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้สามารถที่จะมาคั้นเอาน้ำมาดื่มเป็นเครื่องดื่มได้เพราะว่าคนที่ไม่ได้ฉันคนที่ไม่ได้กินอาหารเย็นบางทีตอนบ่ายก็อาจจะรู้สึกท้องว่างบ้าง พระพรเจ้าก็เลยสงสารก็เลยอนุญาตให้ให้มีอะไรมาช่วยให้พลังกับร่างกายมีน้ำตาลจากน้ำผ ล, ลไม้อันนั้นหนึ่งก็คน้ำป่านะหรือน้าผ ล, ลไม้คั้นจากน้าคั้นจากผ ล, ลไม้แตวต้องเอาแต่น้ำอย่างเดียวถ้ามีกากมีเนื้อนี่ต้องกรองออกให้มีแต่น้ำนุ่น คนที่รับอุปถากรทาอาหารถวายพระแต่เขาก็จะบอกบุญให้คนอื่นนําเงินมาร่วมในการจัดซื้ออาหารเช่นนี้แล้วคนทําอาหารถวายพระเขาจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะเขาก็ได้ส่วนตรงที่เขาทําอาหารแต่ถ้าเขาไม่จ่ายเงินค่าอาหารเขาส่วนนั้นเขาก็ไม่ได้แต่เขาจะได้ส่วนที่เขาออกกําลังทําอาหาร คนที่ให้เงินมาทำเขาก็ได้ส่วนที่ส่วนที่เขาให้ก็คือให้เงินทำมาแต่เขาก็ไม่ได้บุญจากการทำอาหารเพราะเขาไม่ได้ทำเองถ้าอยากจะได้ทั้งสองส่วนก็ต้องต้องทำเองแล้วก็จ่ายค่าอาหารเองก็จะได้ทั้งสองส่วนแต่บางทีบางคนไม่สะดวกบางคนต้องไปทำงานแต่มีเงินก็เลยฝากเงินไว้ให้กับคนที่ทำหน้าที่ทำกับข้าวถวายพระคนที่ทำกับข้าวถวายพระก็ได้บุญจากการทำหน้าที่ แต่ไม่ได้บุญจากการเสียเงินคนที่ให้เงินก็จะได้บุญจากการเสียเงินแต่จะไม่ได้บุญจากการทําหน้าที่ทํำขบข้าวโยมซื้อหอยมาทํากับข้าวแต่ลืมไปว่าหอยยังไม่ตายแบบนี้จะผิดสิ่งข้อห้าหมาเจ้าคะมันก็ผิดเนี่ยมันบาปแต่ถ้าไม่มีเจตนายังไม่ถือว่าบาปแต่ก็ไม่ไม่ควรจะลืมนของนี้ไม่น่าจะลืม พอเราทำอะไรเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้เราต้องมีความระมัดระวังว่าเขาตายหรื อ, อยัง<ม>ถ้าเขาตายแล้วเราถึงค่อยเอามาทํากับข้าวได้<ม>แต่ถ้าก็ยังไม่ตายก็อย่ามาเอามาทํากับข้าวฉนั้นก่อนที่เราจะทําอะไรเราต้องมีสติก่อน<ม>ถึงแม้ว่าถ้ถาทําโดยไม่มีเจตนาก็ยังไม่ถือว่าบาปแต่<ม>ก็เกิดความเสียหายกับกับสิ่งที่ถูกทําลายก็ไม่ควรที่จะกระทำ ถ้าเราเอาโหสิกรรมให้กับคนที่ทำไม่ดีกับเราในชาตินี้เราจะหลุดจากบ่วงกรรมต่อกันใหม่เจ้าคะคือเราจะไม่ทุกข์กับเขาคือเราเอาโหสิกรรมแล้วเราก็จะไม่มีไม่จองเวรจองกรรมกับเขาส่วนเขาจะเอาโหสิกรรมให้กับเราหรือไม่นั้นก็อยู่ที่ตัวเขาถ้าเขายังไม่เอาโหสิกรรมเขายังจามาล้างแค้นเราอยู่เราก็ต้องรับวิบากกรร ม, มนั้นไปแต่ใจเราอาจจะไม่ทุกข์แล้วถ้าเรายอมรับ ว่าเราทำไปแล้วเราผิดแล้วท่านก็อยากจะมาทำโทษเราเอาโทษเราก็ปล่อยก็ทำไปใจเราก็จะไม่ทุกข์ได้ การที่จะบรรลุพระโสดาบันได้นั้นต้องมีข้อสอบในเรื่องการเจ็บป่วยให้อยู่กับการเจ็บปวดโดยไม่ทุกข์อยู่อย่างมีปัญญาว่าร่างกายไม่เที่ยงมีเสื่อมเกิดดับเป็นธรรมชาติอย่างไม่ทุกข์ไม่ได้มีความอยากให้หายไปอยู่ตามเหตุแปจใจและเข้าใจว่าธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นคือเกิดเกิดดับดับแต่ไม่กลัวและเข้าใจเพราะเขาเป็นแค่ธาต ที่ย่อมดับไปเป็นธรรมดาแบบนี้ถูกต้องหม่เจ้าคะและโยมขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากหลวงพ่อด้วยเจ้าคะ่ะคือเราต้องไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายพูดง่ายๆร่างกายจะเป็นจะตายเราก็เฉยๆจะเจ็บหรือไม่เจ็บเราก็เฉยๆอยู่ก็มันไป รู้สึกว่าจิตในตอนช่วงเช้าหลังตื่นนอนมีความขุ่นมัวและความคิดไหลฟุ้งมากกว่าตอนเย็นเป็นเพราะอะไรเจ้าคะและควรแก้ไขอย่างไรทำงานกลางคืนหรือเปล่าถ้าทำงานกลางคืนมันก็อาจจะมีงานที่ค้างค้างอยู่ในใจเราก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่เราตามปกติแล้วถ้าเราทางานกลางวันเรื่องต่างๆที่มันอยู่ในใจเราพอเรานอนหลับไปมันก็ควรจะหายไป แต่ถ้ายังมีอาการขุนโมยอยู่ก็แสดงว่าใจเรามีความผูกพันกับเรื่องต่างๆอยู่ยังไม่ยอมปล่อยอาจจะผูกพันกับเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องเงินเรื่องทองอยู่ถึงแม้ว่าจะได้นอนหลับพักผ่อนแล้วก็ตามแต่พอตื่นขึ้นมาความผูกพันนั้นอุปทานนั้นมันมีกําลังมากมันก็จะพยายามดึงเรื่องราวต่างๆนั้นให้กลับมาอีกได้ โยมทำอาชีพส่งออกอาหารซึ่งจําเป็นต้องรับซื้อสัตว์มาเพื่อประกอบสัมมาชีพถ้าหากโยมนําอาหารมาบริจาคให้ผู้ยากไร้หรือถวายเพนแบบนี้จะช่วยให้ผิดศีลน้อยลงไหมเจ้าคะ่ะศีลที่ทําไปไม่ไม่น้อยลงอเท่าเดิมแต่เราจะได้บุญมาเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันเรื่องบุญก็เรื่องบุญเรื่องบาปก็เรื่องบาปแล้วบุญกับบาปทั้งสองอย่างนี้ก็จะมาแข่งขันกัน ว่าจะดวงจะดึงดวงวิญญาณเราไปนรกหรือไปสวรรค์กันถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์ถ้าบาปไม่แม้มากกว่าบุญบาปก็จะดึงเราไปนรกได้ผมขอเรียนถามพระอาจารย์ครับเศพการแล้วไปสวดมนต์จะบาปไหมครับไม่บาปเนาะเศกการก็เรื่องของการเศกการส่วนมนต์ก็เรื่องของการสวดมนต์เศกการก็เป็นเรื่องของกิเลสสวดมนต์ก็เป็นเรื่องของธรรมนะ ก็ตอนที่เป็นค า, ารวะอยู่แล้วอาจจะต้องสลับไปสลับมาบางเวลาเราก็กำลังทางธรรมะ ม, กกมากก็ดึงเราไปส่วนมนต์บางเวลาทางกิเลสมากมันก็ดึงเราไปเสพการแต่เป้าหมายเราควรจะเลิกเสพการแล้วควรที่จะปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นเพราะการเสพการเหมือนเป็นการเสพยาเสพติดส่วนการปฏิบัติธรรมนี่เป็นเหมือนการเลิกติดยาเสพติด เราสามารถอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของคนคนหนึ่งพร้อมขออสุอโหสิกรรมแทนเขาได้ไหมเจ้าคะอยู่ที่เขาว่าจะอโหสิหรือไม่ถ้าเขาไม่อโหสิเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้ทาบุญใส่บาตรไม่ต้องกรวดน้ำแค่นึกในใจแทนการกวดน้าได้ไหมครับได้เพราะการกรวดน้ำที่แท้จริงก็คือการอุทิศบุญนี่ บุญอยู่ในใจเราแล้วเราก็คิดไปในใจขอส่งบุญนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้นที่ร่วงรับไปแล้วน้ำไม่มีความจาเป็นแต่อย่างใดหากเคยทำงานในองค์กรที่รับทำแทง้งแต่โยมไม่ได้ลงมือทำเองได้รับค่าจ้างจากองค์กรนี้เท่านั้นอย่างนี้โยมจะบาปหรือไม่และผลบาปจะตามติดของโยมไปตลอดไหมเจ้าคะเราก็อาจจะมีส่วนร่วมในการทาบาป ถึงแม้เราไม่ได้ทำเองก็ตามแต่การทำงานของเรานี้เหมือนเราเป็นการสนับสนุนทำให้เกิดการกระทาบาปและเราได้รับประโยชน์จากการกระทาบาปก็ต้องถือว่าเราก็ได้รับบาปแต่อาจจะไม่ได้รับแบบเต็มร้อยอาจจะได้รับบางส่วนจากการที่เราไปสนับสนุนเขาลูกนั่งสมาธิสงบเร็วเจ้าค่ะ แต่ในระหว่างวันนั้นลูกควรทำสองอย่างคือบริกรรมและใช้ปัญญาตัดสภาวะอารมณ์ที่จะเกิดตามกำลังของปัญญาของลูกนะปัจจุบันใช่ใหม่เจ้าคะใช่ใช้สติก็ได้ใช้ปัญญาก็ได้ในการตัดอารมณ์ตัดความคิดต่างๆให้มันน้อยลงพอเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบได้ง่ายได้เร็ว การภาวนาพุโทโธตลอดเวลาตายไปแล้วจะไปเกิดเป็นเทพบุตรจริงไหมครับ อ, อ๋อถ้าพุโทโธแล้วจิตรวมเป็นสมาธิก็จะไปเกิดเป็นพรหมถ้าได้สมาธิถ้ายังไม่ได้สมาธิก็ยังไม่ได้ไปเป็นพรหมตอนนี้คุณแม่ป่วยโยมคุณทําบุญอะไรถึงจะให้ท่านหายและมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าคะก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลหาหมอหายามารักษา บุญรักษาร่างกายไม่ได้บุญรักษาจิตใจถ้าอยากให้คุณแม่สบายใจไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ชวนคุณแม่ทำบุญใส่บาตรชวนคุณแม่ฟังเทศน์ฟังธรรมชวนคุณแม่นั่งสมาธิอย่างนี้จะช่วยทช่วยให้จิตใจไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายได้ กรณีที่มีคนมาเบียดเบียนจองเวรคอยรังควานถ้าไม่ก่อเวรตอบจะเป็นการเอาหสิกรรมให้เขาไหมแล้วตัวเขาเองจะรับวิบากกรรมเองใช่ไหมเจ้าคะใช่เราก็ยุติการโต้โต้อตอบแต่เขานี้ถ้าก็ยังจองเวรจองกรรมอยู่เขาก็จะต้องเป็นผู้ที่รับผลของการจองเวรจองกรรมของเขาต่อไป ขอกราบเรียนถามเจ้าค่ะคำว่ากิเลสกับตัณหามีความหมายต่างกันอย่างไรเจ้าคะตัวเดียวกันเนะ่ยบางทีเรียกเรียกสลับใช้กันกิเลสแล้วมักจะเรียกว่าโลกตัณหาก็คือหยากรลปก็อยา ก, ก, ก, ยากมันก็คล้ายๆกันตัวเดียวกันการเดินจงกรมไม่ต้องท่องพุทโธตลอดเวลา แต่ให้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายตลอดเวลาถูกต้องไหมเจ้าคะเจาแทนกันได้จะใช้คุดโถก็ได้จะดูการก้าวของร่าของของเท้าก็ได้เป้าหมายก็คือให้ใจมีงานทาให้มีอะไรดูเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สามีให้เงินโยมเก็บไว้ทุกเดือนโยมเอามาทำบุญแล้วไม่ได้บอกสามีแบบนี้สามีจะมีส่วนร่วมในบุญหรือไม่เจ้าคะ สามีเขาได้บุญตั้งแต่ตอนที่เขาให้เงินเรามาแล้ว <c oughs> เขาทำบุญกับเราแล้วแล้วเงินนี้เป็นของเราแล้วเราเอาไปทำบุญเราไม่ต้องบอกเขาก็ได้บอกเขาเ ข, า, ขาไม่ได้บุญอยู่ดีเพราะเขาได้ครั้ ง, งแรกไปแล้วนอกจากเขาอาจจะชื่นชมยินดีอนุโมทนาด้วยเขาก็อาจจะได้บุญตรงนั้นที่ดีใจว่าท่านที่เอาเงินไปกินเหล้าเราเอาเงินไปทำบุญเขาก็ดีใจกับการทำบุญของเราเขาก็จะได้ความสุขจากการอนุโมทนา แต่บุญที่เกิดจากการให้เขาได้ตั้งแต่เขาให้เรามาแล้วเขาจะไม่ได้บุญจากการที่เราไปทาบุญอีกทอดหนึ่งอันนี้เป็นของเราล้วนๆหมดทั้งเลยโอเคมีใครอยากจะถามอีกไหมอ่าเข้ามาเลยจะเจิญเดินเข้ามาหน่อยต้องยืนขึ้นปวดนะได้ได้ยืนก็ได้ถหมก็ได้ตางสบายยืนถามก็ได้ เออ่คะกับเรียนท่านครูอาจารย์ค่ะอยากเาเข้าใจความหมายคําว่าสมาธิภาวนาแล้วก็วิปัสนาค่ะก็สมาธิก็คือทําใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าฌานขั้นต่างๆนรียกว่าสมาธิภาวนาหรือสมะถะาภาวนาทําใจให้นิ่งสงบให้มีความสุขจากความนิ่งความสงบส่วนวิปัสนานี่คือสอนใจให้ฉลาดให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้เป็นทุกข์ เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เป็นปัญญาวิปัสาปนาอ่าเข้าใจตอนแรกเข้าใจว่าเหมือนธมะพีคนละอย่างกั น, นขั้นคนละขั้นตอน อ, อยยังมีถามต่ อ, อคําถามสุดท้ายนะาเวลาจะหมด น, นะโยมขอหลักการที่จะใช้ในการดําเนินชีวิตให้มีชีวิตที่ราบรื่นด้วยเจ้าค่ะก็ทําตามที่พระเจ้าทรงสอนมา ให้เราทําบุญทําทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาให้เรามีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอย่าเบียดเบียนกันอย่าทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนให้ความสุขต่อกันละกันแล้วชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงเอามาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าใ น, านทรยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ